ลงมาชั้นสามสิบสองป่วยหนึ่งไอ้ป่วยพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลศรีนครินหนึ่งตามไม่จริงการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราพิจารณาอีกมุมมองหนึ่งมุมมองในทางพระพุทธศาสนามุมมองของทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ย ยมมูโษเข้ามาเตือนยมมาูทษเข้ามาเตือนเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะอันนี้แหละคือเจ็บแล้วเนี่ยถ้าเจ็บมากกว่านี้ตายได้นะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาหรือว่าไม่ได้รับคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็มีแต่กระเสือกกระสน อยากจะให้มันหายอย่างเดียวป่วยครั้งนี้ก็หายป่วยครั้งหน้าก็หายป่วยมากๆเขาก็อยากจะหายไม่ได้คิดว่าชีวิตของพวกเราต้องถึงจุดจบแน่นอนอีกสักวันหนึ่งมีแต่คิดอยากจะให้หายอย่างเดียวในใจของพวกเราไม่ว่าผู้ใด โดยมากมีแต่อยากจะให้หายแต่ว่าตามไม่จริงคิดถึงว่าเออชีวิตของเราเนี่ยต้องมีจุดจบนะอีกสักวันหนึ่งจะรักษาไม่หายนะตายแน่นะโดยมากน้อยคนที่จะคิดอย่างนั้นมีแต่คิดอยากจะให้หายแต่ตามไม่จริงถ้าคิดตามความเป็นจริงแล้ว เราจะรักษาให้ดีที่สุดแต่ถึงข้าพเจ้าจะรักษาดีที่สุดขนาดไหนร่างกายนี่ก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าประทานคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเตือนไว้ที่ท่านบอกไว้ว่าแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาุแาปแรรล้วก็คือตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่น อันนี้ก็คือให้คิดไว้ในใจถึงจะไม่พูดถึงจะพูดหรือไม่พูดก็ให้คิดไว้ในใจอย่างพ่อไปเคยไปเยี่ยมคนแก่ไม่ใช่คนแก่แต่คนที่ป่วยป่วยที่ว่าหมอบอกว่าสุดวิสัยแล้วสุดวิสัยที่จะรักษาแล้ว ท่านก็เป็นผู้ใหญ่อายุก็ยังไม่มากแต่พอเข้าไปเห็นแล้วโอ้ปรงปรงตกจริงๆว่ากันท่นทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกหลานห้อมล้อมเงินในเจ้าเท่าไหร่จะรักษาด้วยวิธียังไงพร้อมที่จะให้ พร้อมที่จะรักษายาในโลกตัวไหนที่ดีที่สุดก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้ได้แต่ขนาดนั้นก็เยื้องกับพยาแม จ, จุราชไม่ได้พยาแม จ, จุราชมันจ้องกระเหม่งเข้าไปแล้วพวกเรามีแต่ถอยลูกเดียวเขามีแต่ลุกลูกเดียวขนาด ฉีดยาเข้าไปแล้วยาไม่วิ่งไปถึงที่เจ็บที่ปวดเลยเพราะเหตุใดเพราะร่างกายมันมันไม่ได้ออกมันไม่ได้ขยับมันไม่ได้ยืนมันไม่ได้ทรงตัวไอ้ที่มันปวดมันก็ปวดอย่างเก่าฉีดเข้าไปแล้วมันก็ไปกระจุกอยู่ที่ที่มันฉีดหน่อยเดียวเองมันขยับไปหน่อยเดียวเองมันไม่วิ่งไปสู่ร่างกายาะที่สุดเนี่ยะ ทุกขเวทนาแสนสาหัสเกิดขึ้นในขณะที่มันเจ็บปวดไปเห็นแล้วก็จะว่าอย่างไงเราเนี่ก็โปรงตกอยู่แล้วลถ้าจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็โปรงตกอยู่ในใจอยู่แล้วเจียงไปเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นขึ้นมาอีกเห็นแล้วก็ โลกก็นี่ไม่น่าไม่น่าอยู่ถ้าไปเห็นอย่างนั้นเพราะเหตุ น, นี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอย่านอนใจในโลกนะแก่เจ็บตายมันไม่ใช่ของสนุกนะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนะี่ยเรามีความสุขแต่เมื่อจุดนั้นมาถึงความสุขที่ว่าสุขสุขนั้นมันวิ่งหายหนีไปหมด ร่างกายเมื่ออยู่ดีมีสุข เ, เราก็ว่ามีความสุขสนุกสบายแต่พอมันทุกข์เข้ามาเวทนากล้าเข้ามาแล้วร่างกายของเราเนี่ยเป็นกองเพลิงและเป็นกองไฟทั้งกองเราร้อนไปหมดหาความสุขไม่ได้ไม่มีความทุกข์ไหน ทุกยิ่งกว่าในช่วงที่ใจจะขาดจิตใจะจะออกจากร่างในช่วงที่ทุกเวทนาของกายมันถีบอย่างเต็มที่ก่อนที่จะที่จ ะ, จะใจจะออกจากร่างคล้ายๆมันจะแตกธาตุสีไม่สมดุลกันธาตุสีมันจะแตกมันทําลายที่สุดเหมือนกับ หมอน้ำเดือดอย่างนั้น่ะหมอน้ำในรถของเราเดือดอย่างนั้น่ะเออมันเดือดอย่างเต็มที่แล้วเปิดฝา ก, กระจุกน้กาก็ไม่ได้เออถ้าเปิดก็ต้องมีเทคนิคในการเปิดเออถ้าเปิดขึ้นมาก็ระเบิดขึ้นมาได้นี้ก็เหมือนกันถาดขันร่างกายในช่วงที่มันจะแตกออกจากกันจิตใจจะออกจากร่าง ไม่รู้ว่าทุกขเวทนาตัวไหนโหมกระนำเข้ามากระเสือกกระสนอากับกิริยาของร่างกายแสดงออกหมดทั้งตาทั้งหูทั้งแข้งทั้งขาขนาดหมดแรงอยู่ในเตียงในเบาะแต่พอมาถึงจุดนั้นขึ้นมาแล้วก็ยังกระซับกระสายทุก ข, ขเวทนากล้าเนี่ยถ้าเรามองเห็น เรามองเห็นเราก็เห็นแนๆๆ่แล้วว่าทุกข์แน่แต่ไอคนที่ป่วยนะั้นทำอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้มีแต่แสดงอกับกิริยาว่าทุกข์มากเนอะแต่พวกเราที่เป็นนักสังเกตก็จะรู้ได้ว่าเป็นความทุกข์จริงๆในขณะที่ใจจะออกจากร่างนี่แหละอันนี้ก็ให้เห็นเขากันให้น้อมมาหาตัวเอง ทุกชีวิตเป็นอย่างนั้นเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าตายเป็นทุกข์ตายเป็นทุ ก, ทกถ้าว่าเราเกิดมาอีกภพหน้าชาตินาอีกก่อนที่จะตายมันก็เป็นทุกข์อีกเกิดมาอีกตายอีกเป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นให้พิจารณาว่าอยู่เสมอว่าร่างกายของเราทุกท่านมีจุดจบ แต่เวลาอยู่ดีมีสุขก็เดินเหิน เ, เชิดหน้าชูตาไปในสถานที่ต่างๆพอถึงครั้งนั้นบรนปลายของชีวิตแล้วเข้าไปอยู่ในห้องไอซปิดเงียบไม่มีใครรู้พอรู้แล้วก็ น, นูนอยู่ในหีบในโรงแล้วประกาศมาว่าคนนั้นนามสกุล น, นั้นผู้ใหญ่ผู้โต พระราชทานเพลิงที่วัดนุ่นวัดนี้ประกาศออกมาเพียงแค่นั้นก็ได้ไปเผากันแต่ในขณะที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกเขเวทนากล้าขนาดไหนมีแต่ผู้ใกล้ชิดที่จะไปดูพวกเราเห็นแ ต, แต่เมื่อเขาอยู่ดีมีสุขเชิดหน้าชูตาสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดทบทวนดูหมดอันนี้ไม่ใช่คิดให ดูถูกเหยียดหยามชุมชนสังคมคิดให้มาหาตัวเองว่าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจนะ้าเนี่ยท่านให้คิดยังไงที่พระพุทธเจ้าท่านวางคําสอนว่าน่ะท่านให้คิดอย่างไ ร, ร, งะนะงไรกับตัวพวกเราทุกๆคนในเมื่อทําตัวขึ้นมาในชุมชนก็ทําได้แต่ในใจนะ่ยให้คิดไว้อยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่ง ข้าจะต้องถึงจุดจบอย่างหลวงพ่อเน่ยเหมือนกันถ้าเขานดมนต์ขึ้นไปไปแสดงธรรมบางทีคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นรอเก็ขึ้นไปพูดไปแสดงธรรมพูดใส่ไมโครโฟนดังสนานวันไว้ไปทั่วเขาก็โองหลวงพ่ออินเป็นองค์แสดงธรรมเป็นองค์เทศแต่อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออิน เข้าไปอยู่ในห้อง ICU ก็คงจะมีลูกศิษย์ไม่กี่คนที่ไปห้อมร้อมไปไปดูเพอเพยังอยู่องค์เดียวอีกต่างหากผลที่สุดก็ตายตายแล้วนะหนุจะดังอีกครั้งหนึ่งก็วันประชุมเพลิงท่านละทนคนทั้งหลายกลับมาประชุมเพลิงกัน ห, หลวงพ่ออินตายแล้วลักษณะอย่า ง, ง น, นั้นนี่แหละให้พวกเราคิดไปอยู่เสมอถึงจะใหญ่โตถึงจะมีความสุขยังไง ในขณะที่เราอยู่เย็นเป็นสุขก็อย่าลืมตัวให้คิดไว้ในใจเสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตนี้ต้องจากตายสลายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นธาตุสีดินน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายของเราตามหลักของพุทธะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ธาตุสีคือธาตุดินคือกระดูกธาตุน้าก็คือเลือดปัสสาวะน้ามันไขข้อ คือของเหลวในร่างกายถาดน้ำธาตุลมคือลมหายใจเข้าออกเป็นหลักแล้วก็ลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมในร่างกายแล้วก็ธาตุไฟทำกายให้อบอุ่นย่อยอาหารถ้าไม่มีธาตุไฟก็ไม่มีอะไรที่จะไปย่อยอาหารในลำในกระเพาะของเราแล้วก็ร่างกายอบอุ่นขึ้นมาได้ก็เพราะธาตุไฟ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยร่างกายของสรรพสัตว์มีอยู่เป็นอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็ทรงตัวอยู่อย่างนี้ในตัวของเราแต่ดินน้ำลมไฟนี่ก็ต้องแยกแยะอีกให้เป็นส่วนๆอีกธาตุดินนั้นคืออะไรเกสาผม โลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้เป็นประเภทธาตุดินมังสังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้ค็อธาตุดินเป็นอันว่าดินนี้ใหญ่กว่ามากกว่าแต่ในโลกทุกวันนี้เขาว่าน้ำมากกว่าดินแต่ในตัวของเราเนี่ยดินมากกว่าน้ำในร่างกายของเรา ให้พิจนารณาเห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเมื่อเป็นจริงนะใครเป็นคนรู้นะกี่ไก็ย้อนมาหาตัวใจตัวผู้รู้อีกเหมือนกันนะใจคือตัวนึกคิดตัวนี้นะมันสมองนะสมองตัวนี้นะความนึกคิดนะแต่หลักของพุทธะําคำสอนของพระพุทธเจ้าอะมนโน ค, คือใจวิญญาณคือสิ่งรับรู้ผู้รู้ คือใจใจอยู่ที่ในตัวของเราแต่มันอยู่ที่ไหนจะว่าอยู่ในสมองก็ไม่ใช่อยู่ในหัวใจก็ไม่ใช่คำว่าใจตรงนี้มันอยู่ในในทุกขนแหงให้คาว่ารับรูบร้รับทราบในตัวทุกขนแหงเหมือนกับคนขับรถอย่างนั้นคนขับรถอยู่ที่หลังพวงมาลัยใช่ไหม ก็ไม่น่าจะใช่บางทีคนขับรถก็ออกไปนอกรถแต่ขณะที่ขณะที่ใช้รถก็ใช่อยู่ในหลังพวงมลาลัยอย่าบังคับรถให้ไปในสถานที่ต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าขณะที่ทำงานใจของเราก็อยู่ในสมองเพราะว่าสั่งสมองสมองสั่งให้คิดสมองสั่งให้พูดสมองสั่งให้ทำมันก็เหมือนกับอยู่หลังพวงมลาลัย แต่ถ้าว่าเราไม่ได้ใช้สมองในช่วงนั้นพักสมองร่างกายมันก็ออกจากรถไปอยู่ในสถานที่ต่างๆรับรู้ได้แต่พอที่ว่าอยากจะรู้เนี่ยมันก็กระโดดปั๊บเข้ามาสั่งการสั่งสมองให้คิดให้พูดให้ทำแต่เมื่อหมดพาละแล้ ว, ลวมันก็กระโดดออกจากหลังพวงมลาลัยอีก เพราะนั้นบางทียังเบอร์เบอร์ยังเผล๋อเนี่ยขาดสติมันก็มีอยู่นี่แหละสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยอยู่ในร่างกายเร้วขับเคลื่อนร่างกายนีย่มันเหมือนกับคนขับรถอย่างนั้นแต่ว่ารถคันนี้มันอายุยืนยาวหน่อยบางทีเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีร้อยปีจะค่อยพังแต่รถเหล็กแท้เนี่ย อยู่ถึงยี่สิบปีก็แปลว่านานแล้วนานมากๆากยี่สิบสามสิบปีแปลว่าแบบธนุถนอมอย่างเต็มที่ว่างั้นแต่แต่ถึงยังไงก็ถึงจุดจบของรถถึงจะใหม่เก่าขนาดไหนดีขนาดไหนก็มีจุดจบชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นในทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาดูนะใจนะ ในเจ้าของของรถเนี่ย น, นะที่วัดใจใจนั่นแหละหอย่าไปลุ่มหลงว่ารถนี้จะอายุยืนยาวจะอยู่ ท, ทนนานเท่านานไม่ใช่นะอีกสักวันหนึ่งรถจะต้องถึงจุดจบนะนี่แหละคือทำความเข้าใจในใจเมื่อเราโฟเฟอร์ได้รับการศึกษาที่ดีแล้ว โซเฟอร์จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะโซเฟอร์ได้รับคําแนะนําผู้ที่สูงศัก์คือพุทธคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําโซเฟอร์โซเฟอร์เมื่อได้รับคําแนะนําแล้วก็มาทบทวนดูว่าเออใช่รถคันนี้เราจะทนุถนอมไม่ดีแต่ถึงจะทนุถนอมไม่ดีขนาดไหนก็เถอะถ้ายังใช้งานอยู่มันก็ต้อง มีอีกสักวันหนึ่งต้องเป็นไปหลายหลายอย่างจะต้องเข้าอู่ซ่อมพอซ่อมไปซ่อมมาแล้วก็ถึงจุดจบเราก็จะต้องได้ทิ้งรถคันนี้นี่ก็เหมือนการร่างกายของเราก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าเป็นลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปเมื่อออกไปเป็นครวญจียายม เ, เราเป็นพระนวากาเนเมื่อออกไปแล้วก็อย่าไป สัมมาเลเทเมาอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปทุ่มเทชีวิตของตัวเองไปในทางที่ไม่ถูกต้องชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เหมาะสมอย่าให้ออกนอกลูก่นอกทางจนเกินไป บ, บังคับให้ไปสู่ในทิศทางที่ดีอย่าให้มีปัญหาเพราะชีวิตของเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นร่างกายนี่ไม่ใช่วันมันจะยืนยืดยาวไป อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกมันจะต้องสลายในดินน้ำลมไฟให้เราพิจารณาดูให้ดีสิใช้ปัญญาไข ค, ควรทบทวนดูให้ดีสิมันเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดไหมหลวงพ่อนำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงมาเผยแผ่มาแนะนำให้พวกเราได้ให้ได้คิดว่างั้นนี่แหละถา้าพวกเราคิดได้อย่างนี้แล้วนั่นหละใจของเราก็จะ รู้เท่ารู้ทนันการวางตัวด้วยการปฏิบัติตนจะไม่สุดโต่งไปในทางกิเลสไม่เชื่อไปทางกิเลสจนมากเกินไปกิเลสมันพาถล่มไปทางต่ำนะมันดึงไปทางต่ำตกต่ำเพราะเหตุไรเพราะว่ากิเลสดึงลากไปแต่ถ้าว่าดึ ง, ดงทำรู้เท่ารู้ทนันคือทำมาเนี่ยพยายามแยกแยะดูให้ดีแล้วให้รู้จัก ปล่อยรู้จักวางรู้จักเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นทำอะไรก็ทำให้ถูกต้องตามทำวินัยให้ถูกต้องตามกฎระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองกฎเกณฑ์ทำให้ถูกสมมุติของโลกของธรรมถ้าพวกเราทำอย่างนั้นได้แล้วนะอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเรารู้จักวางตัวนะถ้าพวกเราไม่รู้จักวางตัว หลงลืมไปด้วยโกรธโกธรุ่งกิเกลสราคะโทสะโมหะแล้วเนะ่อีกสักวันหนึ่งความไม่พึงปราถนาจะมาถึงพวกเราอยู่ในคุกอยู่ในตรางอยู่ในที่ตาหนิติเตียนของคนทั้งหลายจนไม่มีอันจะอยู่จะกินเพราะเหตุใดเพราะว่าเราวางตัวไม่ถูกอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอยู่ในโลกต้อง เตรียมพร้อมระเวียงระวังแล้วก็สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทหลวงพ่อเคยพูดว่าการดําเนินชีวิตนี่เหมือนกับไต่ลวดเส้นเดียวนะไต่ลวดเส้นเดียวมันต้องพร้อมทุกอย่างทั้งสติทั้งปัญญาทั้งความเที่ยงตรงของร่างกายมันจึงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางได้ ถ้าเอาขี้เหล้าเดินนะไม่เป็นไปไหนรนอไม่เกินสองเก้าแล้วไหเก้าวที่สองก็ตกตุ้มเลยว่างั้นเถอะเพราะเหตุลไยเพราะมันทรงตัวไม่ได้ยังถ้าว่าคนที่จะทรงตัวได้นั้นต้องพร้อมด้วยสติต้องพร้อมด้วยปัญญาอต้องพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางได้ชีวิตของพวกเราก็อยากจะให้ทําอย่างนั้นะให้คิดดูให้ดีไตรายตองให้ดี ใช้หลักธรรมคำสั่งสอนใช้แนวความคิดปรัชญาการของชีพมากมายหลายอย่างไปในทางที่ถูกต้องถ้าพวกเราได้ศึกษาดีแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติชีวิตของพวกเราก็จะเป็นไปได้วยความ ร, ร่าเร่งเป็นพระสงฆ์องค์กเจ้าก็ยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ยึดสติสัมปชัญญะนะเมื่อเรามีสติเป็นสมาธิดีแล้วกับปัญญานะ ก็พิจารณาทางด้านปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นปัญญาเสร็จแล้วก็ดูใจนะอย่าไปลุ่มหลงติดกับสิ่งเหล่านั้นนะใจตัวเองก็มีเศร้าหมองผ่องใสมีทุกข์มีดำมีเดือดมีร้อนอยู่ตลอดเวลาใจตัวเนี้ยให้ดูใจนะนี่แหละเป็นตามขั้นตอนอันนี้คือนักพรตนักบวชของพวกเราให้เพ่งพินิษอยู่เสมอทั้งวันนะทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปี ให้ดูใจให้ดูกายจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นละ่ะจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร